วิธีแก้ปัญหาแบบพุทธส่วนที่สองว่าโดยแง่เน้นของคำสอนหรือส่วนที่มีเนื้อหาคำสอนมากกว่าเด่นกว่าคุณจะย้าไว้ก่อนว่าพระพุทธศาสนาสอนให้แก้ปัญหาทั้งด้านนอกด้านในทั้งทางสังคมและทางจิตใจของบุคคลคือมีคำสอนขั้นศีลเป็นด้านนอกกับขั้นจิต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 สังคมสงฆ์หรือภิกษุสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งขึ้นเองพระองค์ได้ทรงบัญญัติวินัยซึ่งเป็นระบบการแก้ปัญหาจากด้านนอกในแง่สังคมไว้เป็นอันมากให้เหมาะกับความมุ่งหมายจำเพาะของการมีสังคมสงฆ์นั้นและให้เหมาะกับการดำรงอยู่ได้ดีของสังคมสงฆ์ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและยุคสมัยนั้นผู้ศึกษาพุทธศาสนาในสมัยปัจจุบันมักมองข้ามวินัยไป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 โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยที่เป็นตัวแปรของต่างถิ่นต่างสมัยนั้นๆผู้ที่เข้าใจสาระสำคัญของหลักการนี้แล้วย่อมจะจัดวางระบบสำหรับจัดการกับปัญหาและเรื่องราวในสังคมแห่งยุคสมัยของตนได้เองดังเช่นพระเจ้าอาโศกมหาราชเมื่อจะทรงสถาปนาธรรมวิชัยในราชอาณาจักรคำสอนของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับปัญหาด้านในของจิตปัญญาพระองค์ก็ย่อมไม่ทรงแต่ต้องอีก เพียงแต่ส่งเสริมให้เผยแพร่คำสอนที่แท้จริงด้วยวิธีและทำนองที่สอดคล้องกับกาลสมัยแต่ส่วนเรื่องภายนอกด้านสังคมพระองค์นำแต่คำสอนที่เป็น ก, นกลางมาตั้งเป็นหลักแล้วทรงจัดวางระบบแบบแผนวิธีปกครองและดาเนินกิจการต่างๆขึ้นใหม่ให้ได้ผลสำหรับยุคสมัยนั้นอย่างง่ายๆดูในประเทศไทยตามขตัตยราชประเพณีทางการปกครอง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 เหตุผลที่เนื้อหาคำสอนทางพระพุทธศาสนาเน้นด้านแก้ปัญหาทางจิตใจมากกว่าแก้ปัญหาทางสังคมหรือด้านภายนอกอย่างอื่นข้อต่อไปคือโดยความเป็นเอกหรือความชนานาญพิเศษการแก้ปัญหาจากภายนอกหรือทางด้านสังคมนั้นนอกจากขึ้นต่อปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ต่างกันของถิ่นและยุคสมัยแล้วยังมีศิลปวิทยาการ และระบบการอื่นๆเอาใจใส่เป็นเจ้าของเรื่องกันอยู่อีกมากมายแต่ในทางตรงข้ามปัญหาเกี่ยวกับชีวิตด้านในทางจิตปัญญาของมนุษย์กลับได้รับความเอาใจใส่จากศิลปวิทยาทั้งหลายอย่างที่นับได้ว่าน้อยยิ่งและเป็นแดนที่วิทยาการทั้งหลายเข้าไม่ค่อยถึงพระพุทธศาสนาถือปัญหาระดับนี้เป็นเรื่องสาคัญที่ควรเอาใจใส่มากอยู่แล้วยิ่งถูกวงการอื่นทอดทิ้ง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 ก็ต้องเข้าเกี่ยวข้องด้วยทั้งนั้นยิ่งมาคำหนึ่งว่าชีวิตด้านในของมนุษย์เป็นหลักยืนตัวและเป็นพื้นฐานอยู่ในส่วนลึกมีอิทธิพลต่อการแก้ปัญหาภายนอกอย่างมากเช่นเมื่อจิตใจลุ่มหลงมัวเมาก็มองปัญหาไม่ตรงตามเป็นจริงเมื่อกระแสะความคิดและปัญญาถูกอิทธิพลของอวิชชาตันหาครอบงาหรือถูกตันหามาหนตทิฏฐิบิดเบือนชักให้เอ็นเอียง ก็ไม่อาจพิจารณาปัญหาอย่างถูกต้องนอกจากแก้ปัญหาผิดพลาดบางทีอาจขยายปัญหาหรือซ้ำเติมเพิ่มปัญหาใหม่ขึ้นอีกก็ได้ดังนั้นการชำระจิตและการทำปัญญาให้บริสุทธิ์ไม่บิดเบือนไม่เอียงเอียงจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแก้ปัญหาทุกอย่างทั้งภายนอกและภายในทุกถิน่นทุกสมัยถ้ามนุษย์แก้ปัญหาไม่ถึงระดับจิตปัญญานี้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 เน้นด้านจิตปัญญาเมื่อมองดูสังคมสงฆ์แม้ว่าจะมีวินัยที่ใช้วิธีแก้ปัญหาจากแง่ของสังคมแต่โดยเปรียบเทียบก็ยังเน้นด้านจิตปัญญาข้างในมากกว่าและเน้นด้านนอกน้อยกว่าสังคมกระหดโดย น, ยนัยนี้ถ้าใครจะดูคำสอนสำหรับภิกษุแล้วเอาเป็นมาตรฐานวัดว่าพุทธศาสนาสอนให้คนทั่วไปใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างนั้นย่อมไม่เป็นการถูกต้อง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 ทำให้โลกหรือสังคมมีมวลมนุษย์ที่ต้องอยู่ต้องเป็นอย่างเดียวกันไม่ใช่ความถูกต้องไม่ดีแก่ใครใและไม่อาจเป็นไปได้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบจะต้องจัดการทั้งทางวัตถุทางสังคมและทางจิตปัญญาให้เหมาะกันและเกื่อกูลที่จะสนองความต้องการเท่าที่ชอบธรรมแก่คนทั้งหลายที่ต่างระดับการพัฒนากันนั้นๆอย่างทั่วถึงที่จะให้มนุษย์ที่ต่างระดับการพัฒนาเหล่านั้นต่างก็เป็นสุข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 หันกลับไปย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพุทธศาสนาสอนให้แก้ปัญหาของมนุษย์โดยมนุษย์เองที่ตรงตัวเหตุปัจจัยและผู้เช่นนี้อย่างเป็นกลางๆไม่ได้จำกัดจำเพาะว่าจะแก้แต่ข้างในหรือแก้แต่ข้างนอกคือแล้วแต่เหตุปัจจัยควรจะย้อนกลับออกไปด้วยซ้ำว่าศิลปวิทยาและระบบการทั้งหลายเท่าที่มีอยู่นี้ตั้งหาที่มักมุ่งแต่จะแก้ปัญหาที่ข้างนอกอย่างเดียวด้านเดียว